วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหาวิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหาเรียกตามวัวหารทางธรรมะได้ว่าวิธีแห่งความดับทุกข์จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่งและสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นๆได้ทั้งหมดบาลีที่พึงอ้างในข้อนี้ มีความสั้นๆดังนี้ภิกษุนั้นย่อมมนสิการโดยแยกคายคือโยนิโสมณนสิการว่าทุกข์คือดังนี้ย่อมมนสิการโดยแยกคายว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์คือดังนี้ย่อมมนสิการโดยแยกคายว่าความดับแห่งทุกข์คือดังนี้ย่อมมานสิการโดยแยกคายว่า ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือดังนี้เมื่อเธอมนสิการโดยแยบคายอยู่อย่างนี้สังโยชน์สามอย่างคือสักคายาทิฏฐิวิจิกิชฌาและศีลพัตะปรามาตย่อมถูกละเสียได้วิธีคิดแบบอริยศตส์นี้มีลักษณะทั่วไปสองประการคือ 1. เป็นวิธีคิด ตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผลสืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขและทำการที่ต้นเหตุจัดเป็นสองคู่คือคู่ที่หนึ่งทุกเป็นผลเป็นตัวปัญหาเป็นสถานการณ์ที่ประสบซึ่งไม่ต้องการสมุทัยเป็นเหตุเป็นที่มาของปัญหาเป็นตัวการที่ต้องกำจัดหรือแก้ไข จึงจะพ้นปัญหาคู่ที่สองนิโรธเป็นผลเป็นภาวะสิ้นปัญหาเป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึงมักเป็นเหตุเป็นวิธีการเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องการทำในการแก้ไขสาเหตุเพื่อบรรลุจุดหมายคือภาวะสิ้นปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์ ในที่นี้ท่านเน้นคําขอสรุปที่ท่านเน้นย้าไว้เฉพาะหัวข้อให้เข้าใจง่ายดังนี้นะครับคือคู่ที่หนึ่งทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุคู่ที่สองนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุและท่านหมายเหตุไว้ว่าพึงระวังว่าเหตุและผลหรือ cause and effect เป็นคนละอย่างกับเหตุผลหรือ l i s t e n วิธีคิดแบบอริยรสัจลักษณะทั่วไปประการที่สองเป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่องตรงไปตรงมามุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องทำต้องปฏิบัติต้องเกี่ยวข้องของชีวิตใช้แก้ปัญหาไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องฟุ้งเฟอ้อที่ศักว่าคิดเพื่อสนองตัญหามานาทิฐิซึ่งไม่อาจนำมาใช้ปฏิบัติไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่นในจุลมาลุงกโยวาทสูตรได้กล่าวแล้วว่าวิธีคิดแบบนี้รับกันหรือต่อเนื่องกันกับวิธีคิดแบบที่สวิธีคิดแบบสามั ญ, ญลักษ์กล่าวคือเมื่อประสบปัญหาได้รับความทุกข์และเมื่อสามารถวางใจวางท่าทีต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องตามวิธีคิดแบบที่สขั้นที่หนึ่งแล้ว ต่อจากนั้นเมื่อจะปฏิบัติด้วยปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาตามวิธีปฏิบัติขั้นที่2ของวิธีการคิดแบบที่3นั้นพึงดําเนินความคิดในส่วนรายละเอียดขยายออกไปตามขั้นตอนอย่างที่แสดงในวิธีการคิดแบบที่4นี้หลักการหรือสาระสำคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจก็คือการเริ่มต้นจากปัญหาหรือความทุกข์ที่ประสบโดยกาหนดรู้ ทำความเข้าใจปัญหาคือความทุกข์นั้นให้ชัดเจนแล้วสืบค้นหาสาเหตุเพื่อเตรียมแก้ไขในเวลาเดียวกันกาหนดเป้าหมายของตนให้แน่ชัดว่าคืออะไรจะเป็นไปได้หรือไม่จะเป็นไปได้อย่างไรเราคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะกำจัดสาเหตุของปัญหาโดยสอดคล้องกับการที่จะบรรลุ จ, จุดหมายที่กำหนดไว้นั้น ในการคิดตามวิธีนี้จะต้องตระหนักถึงกิจหรือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่ออริยสัจแต่และข้อยังถูกต้องด้วยเพื่อให้มองเห็นเขาความในเรื่องนี้จะกล่าวถึงหลักอริยสัจและวิธีปฏิบัติเป็นขั้นๆโดยย่อดังนี้ขั้นที่หนึ่งทุกคือสภาพปัญหา ความคับข้องติดขัดกดดันบีบคั้นบกพร่องที่เกิดมีแก่ชีวิตหรือที่คนได้ประสบซึ่งว่าอย่างกว้างที่สุดก็คือภาวะที่สังขารหรือน้มรูปหรือขันห้าหรือโลกและชีวิตตกอยู่ใต้อำนาจกฎธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงแท้คงที่ถูกเหตุปัจจัยต่างๆกดดันบีบคั้นและขึ้นต่อเหตุปัจจัย ไม่มีตัวตนที่อยู่ในอำนาจครอบครองบังคับได้จริงจึงขัดขคืนฝืนความอยากความยึดถือบีบคั้นใจที่ไม่ได้ตามปรารถนาสำหรับทุกนี้เรามีหน้าที่เพียงกำหนดรู้คือทำความเข้าใจและกำหนดขอบเขตให้ชัดเหมือนอย่างแพทย์กำหนดรู้หรือตรวจให้รู้ว่าเป็นอาการของโรคอะไรเป็นที่ไหน หน้าที่นี้เรียกว่าปริญญาเราไม่มีหน้าที่เอาทุกข์มาครุ่นคิดมาแบกไว้หรือคิดขัดเคืองเป็นปฏิปักษ์กับความทุกข์หรือห่วงกังวลอยากหายทุกข์เราคิดอย่างนั้นมีแต่จะทำให้ทุกข์เพิ่มขึ้นเราอยากแก้ทุกข์ได้แต่เราก็แก้ทุกข์ด้วยความอยากไม่ได้เราต้องแก้โดยรู้มัน และกำจัดเหตุของมันดังนั้นจะอยากไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเพิ่มขึ้นขั้นนี้นอกจากกำหนดรู้แล้วก็เพียงวางใจวางท่าทีแบบรู้เท่าทันคติธรรมดาอย่างที่กล่าวแล้วในขั้นที่หนึ่งของวิธีที่สมเมื่อกำหนดรู้ทุกหรือเข้าใจปัญหาเรียกว่าทมปริญญาแล้วก็เป็นอันปฏิบัติหน้าที่ต่อทุก หรือต่อปัญหาเสร็จสิ้นพึงก้าวไปสู่ขั้นที่สองทันทีขั้นที่สองสมุทไทยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาได้แก่เหตุปัจจัยต่างๆที่เข้าสัมพันธ์ขัดแย้งส่งผลสืบทอดกันมาจนปรากฏเป็นสภาพบีบคั้นกดดันคับข้องติดขัด อึดอัดบกพร่องในรูปต่างๆแปลกๆกันไปอันจะต้องค้นหาให้พบแล้วทำหน้าที่ต่อมันให้ถูกต้องคือปาหานะหรือปะหานได้แก่กำจัดหรือละเสียตัวเหตุแกนกลางที่ยืนพื้นหรือยืนรองกำกับชีวิตอยู่คู่กับความทุกข์พื้นฐานของมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ทั้งระดับตัวแสดงหน้าโรงคือตัญหาแล้วระดับเต็มกระบวนหรือเต็มโรงคือการสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัยเริ่มแต่อวิชชาตามหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อประสบทุกข์หรือปัญหาเฉพาะแต่ละกรณีก็คือต้องพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ใช้วิธีคิดแบบที่หนึ่งวิธีคิด แบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านมนุษย์ก็พึงนำเอาตัวเหตุแกนกลางหรือเหตุยืนโรงมาพิจารณาร่วมกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณีด้วยเมื่อสืบค้นวิเคราะห์และวินิจฉัยจับมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องกำจัดหรือแก้ไขได้แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการคิดขั้นที่สอง ขั้นที่สนิโรธคือความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ภาวะไร้ทุกข์ภาวะพ้นปัญหาหมดหรือปราศจากปัญหาเป็นจุดหมายที่ต้องการซึ่งเรามีหน้าที่สัจิกิริยาหรือประจากแจ้งทําให้เป็นจริงทําให้สําเร็จหรือลุกถึงในขั้นนี้จะต้องกําหนดได้ว่า จุดหมายที่ต้องการคืออะไรการที่ปฏิบัติอยู่นี้หรือจะปฏิบัติเพื่ออะไรจะทำกันไปไหนจุดหมายนั้นเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้อย่างไรมีหลักการในการเข้าถึงอย่างไรมีจุดหมายรองหรือจุดหมายลดหลั่นแบ่งเป็นขั้นตอนในระหว่างได้อย่างไรบ้าง ขั้นที่4มักคือทางดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิธีแก้ไขปัญหาได้แก่วิธีการและรายละเอียดสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพื่อกําจัดเหตุปัจจัยของปัญหาให้เข้าถึงจุดหมายที่ต้องการซึ่งเรามีหน้าที่ภาวนาคือปฏิบัติหรือลงมือทาสิ่งที่พึงทาในขั้นของความคิด ก็คือกำหนดวางวิธีการแผนการและรายการสิ่งที่จะต้องทำซึ่งจะช่วยให้แก้ไขสาเหตุของปัญหาได้สำเร็จโดยสอดคล้องกับจุดหมายที่ต้องการ